คำถามคำตอบเกี่ยวกับวัตถุสิบประการครั้งนั้นท่านพระสัมพูตะสานวาสี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 ท่านสามารถจะแก้ปัญหาข้อเดียวได้ตลอดทั้งคืนแต่เวลานี้ท่านพระเรวตะจะเชิญภิกษุอันเตวาสิกให้สวดสารพัน ญ, ญะเมื่อภิกษุรูปนั้นสวดสรพัน ญ, ญะจบท่านควรเข้าไปหาท่านพระเรวตะตามวัตถุสิบประการเหล่านี้ท่านพระยศะกากันดกบุตรรับคําท่านพระสัมผูตสารวาสีแล้ว ครั้งนั้นท่านพระเรวัตะเชิญภิกษุอันเตวาสิกให้สวดสรพัญญะเมื่อภิกษุรูปนั้นสวดสรพัญญะจบท่านพระยสะกากันดกะบุตจึงเข้าไปหาท่านพระเรวัตะครั้นแล้วอภิวาสนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระเรวัตะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสิงคิโลนะกับปะ ควรหรือท่านพระเรวตตย้อนถามว่าท่านสิงคิโลนะกัปปะนั้นคืออะไรท่านพระยศากากันดกบุตตอบว่าท่านผู้เจริญควรเก็บเกลือไว้ในขันงด้วยตั้งใจว่าจะฉันกับอาหารรสไม่เค็มควรหรือท่านพระเรวตตตอบว่า ท่านไม่ควรท่านพระยศากากรดกบุตรถามว่าท่านผู้เจริญทวังคุละกับปะควรหรือท่านพระเรวตตย้อนถามว่าท่านทวังคุละกับปะนั้นคืออะไรท่านพระยศากากรดกบุตรตอบว่าท่านผู้เจริญ การฉันโภชนะในเวลาวิกาลเมื่อเงาของดวงอาทิตย์เลยไปสององคุลีควรหรือท่านพระเรวตัะตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระยศา ก, ากันดกบุตรถามว่าท่านผู้เจริญคามันตะกับปะควรหรือท่านพระเรวัะย้อนถามว่าท่าน คามันตระกับปะนั้นคืออะไรท่านพระยศากากนดกบุตรตอบว่าท่านผู้เจริญภิกษุฉันเสร็จแล้วห้ามพัฒตาหารแล้วคิดว่าจะเข้าไปละแวกหมู่บ้านในบัดนี้แล้วฉันโพชนะที่ไม่เป็นเดนควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระยศกากนดกบุตรถามว่าท่านผู้เจริญอาวาสกับปะควรหรือท่านพระเรวตย้อนถามว่าท่านอาวาสกัปะนั้นคืออะไรท่านพระยศกากนดกบุตรตอบว่าท่านผู้เจริญอาวาสหลายแห่งที่มีสีมาเสมอกันจะแยกกันทำอุโบสถ ควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระยศกากรดกรบุตรถามว่าท่านผู้เจริญอนุมติกับปะควรหรือท่านพระเรวตะย้อนถามว่าท่านอนุมติกับปะคืออะไรท่านพระยศกากรดกรบุตร ตอบว่าท่านผู้เจริญสง์แบ่งพวกกันทากรรมด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะให้ผู้มาแล้วอนุมัติควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระยสะกากรดกบุตรถามว่าท่านผู้เจริญอาจินนะกับปะควรหรือ ท่านพระเรวตะย้อนถามว่าท่านอาจิ น, นะกัปปะนั้นคืออะไรท่านพระยศกากรดกบุตรตอบว่าท่านผู้เจริญการประพฤติตามด้วยเข้าใจว่าสิ่งนี้พระอุปชาของเราประพฤติมาสิ่งนี้พระอาจารย์ของเราประพฤติมาควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่า ท่านสิ่งที่พระอุปชาอาจารย์ประพฤติมาบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรท่านพระยศกากันตดกบุตรถามว่าอมะิตะกับปะควรหรือท่านพระเรวตะย้อนถามว่าท่านอมะิตะกับปะนั้นคืออะไรท่านพระยศกากันตดกบุตรตอบว่า ท่านผู้เจริญนมสดที่ละความเป็นนมสดแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นนมเปรี้ยวภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จแล้วห้ามพัดตาหารแล้วจะดื่มนมนั้นที่ไม่เป็นเดนควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระยศากากันดกบุตรถามว่า ท่านผู้เจริญการดื่มชโลคิควรหรือพระเรวตะย้อนถามว่าท่านชโลคินั้นคืออะไรท่านพระยศากา ก, นกรนากบุตตอบว่าท่านผู้เจริญการดื่มสุราชนิดอ่อนที่ยังไม่แปลเป็นน้ำเมาควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระยศกากนดกบุตรถามว่าท่านผู้จเจริญผ้าปูนั่งไม่มีชายควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระยศกากรดกบุตรถามว่าท่านผู้จเจริญทองและเงินควรหรือท่านพระเรวตะตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระยศกากรดกรบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีแสดงวัตถุสิประการนี้ในกรุงเวสาลีท่านผู้เจริญเอาเถอะพวกเราจงช่วยกันวินิจฉัยอธิกรณ์ น, นี้ก่อนที่อาธรรมจะรุ่งเรืองอาธรรมจะถูกคัดค้าน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 ปฐมภานวานจบ